น้องเราเป็นคนไทยัวตัวมามกระตุกตั้งพอตั้งเพียี่ล้านสงานจใหญ่้อมวากตุกในการสื่อสารเนีณะสป็นอาณาจักรโปกในิในธรรยังมันจะยากเกิพ ก็แสด ง, งนะความอะไรครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เห็นหลงพ่ออบคำเขียนเ่อแกไม่รู้จักกัมมาไม่ว่าจะมมานี่ก็ผูกพันกับต่าว่าทอาจารย์อาจารย์ครนี้ ค น, น, นรแรกการนเาวอยู่เนี่ยอยู่นานีแอยู่ตาานี้แหละศาานี้ลงพ่อก็สอนอยู่นี่แหละเ่จรู้จักแม้ ว, ว่าไม่ได้อยู่ด้วยเพราะว่าไมด้อยู่ด้วยอาจจะเป็นเพราะอไหลายอย่าง เพราะว่าทาไมไม่รวยเพราะว่ามัางนงพ่อใจดีเกินไปใจดีเกินไปพ่อไม่ถูกไม่ได้เลยว่าอะไระน้องนีง่และแเราดีท่ากกันวาโอนดีเราคงจะอยู่ไดไม่ได้เพราะว่าต้องมีคนบอกคนสอน นันก็แนะนำถ้าชอบเลยน ะ, ะ, ะยก็แคนะ่อยู่กับหลวงพนะ่อลังนะจะชื่นบนนักเียนักเลงเีไปอยู่ด้วยกันอย่ไปอยู่กับหลวงพ่อใหลังไปอยู่กับหลงวงพ่อคงแก่คจะเราจะเราคงจะตามใจอะตามตัวเอเออปอใจดีอ รื่อรเนี่ก็เราว่าคำสอนที่อาานยได้แนะนำไปไม่ก็อิปะเพิ่มคำเช็นไล่ได้คสอนที่หลวงพ่อให้สอนในเรื่องเบื้องต้นเป็นเบื้อนสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ผู้ที่เข้ามาใหม่เป็นนั้นก็ ศึกษาสอองนห้ารสามสามนีวทาีบปียงนนังมกิดับขึ้นมาปาเป็นเขาขึ้นมาก็นำ ม, มาประเพื่อฏบัติงาสอนนันแหิบัานคำสอนคำสอน ไมาได้สอลยึดต้งเหมนเรานี่ได้ยงนะแต่ว่าครับแต่ท่านอยู่อย่างหนึ่งแล้วก็มา่ไม่มีใครได้โยงนีอาตมาอโคเดียวมาอยู่กับหลวงกันาอยู่ตรงนี้แหละโยงมานมาเป็นพ่อของข้าหลังกระเทแล้วมัมาอยู่งคเดียวท่านกมาแล้วก็ถา เราพ่อผมเราอย่างเราพ่อกระสอนไม่ชั่วโมงอะไรต่านๆมันยาวก็เสร็จยมนี้แค่รอกองเรือแล้วก็ส อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อนใ น, น, อ, น, อ, นอย่างนี้ก็น่าสอนสอนที่านี้มากสอนดูานทแล้วก น, น่าสะพัฒพัฒแบบใหม่ต้ดองเดินที่จังหวดนะพัูหละท่านเรสอน บอกองค์เดียวเราสอนบอกองค์เดียวนี่แหนะาะจะอยู่ได้เรามาองค์เดียว้เพื่เสียสละก่อนไม่เยอะขนาดนี้ย้อนหนัวไม่ยงโงโงย เ, เยอะขนาดนี้ก็ดีองค์เดียวได้เราสอนแต่เราก็ไม่รูเรื่องเนพราะว่าเราเป็นพระวัดใหม่อพระวัดใหม่เม่กว่าดีทานเรื่องที่เป็นปิหารทานโลกที่มากใช่ไหมครั โลกทิพมากตถาตถาปาเกียรติต่างๆอะไรแบบนั้นตถามากวมากว่าคมก่อนท้าโลกทิพย์แล้วก็ตธาพ่อพุทธภาพตถาแต่ว่าโลกคิพยมีชอบก็มาใหม่ๆนั่งนัน่งในระยองนั่งในระย อ, องพ่อต้องสอนเราทางจิตก็มามาคือแยกมาในมุนโยนคนแนกมาเป็นแล มากันนอนดข้างนอกน่นเองกานอนกันหมันไมรใช่ว่ห้นอนนะแต่นางสมาธิเรื่องนี้หลวงพ่อเรามาสอนเราทางคิดงานนี้งานนี้หลวงพ่อก็ไม่มาจริงอะไรที่เรียกวาอะไรจะขาดอะไรที่ขาดไปบอกลาผมมาให้คงเตือมาให้ เนี่ยนะเราไม่ได้เป็นข้าพมาถามนะแต่ว่าสวนใจนี้สกสดีจังาสวนว่าในผ้าผมมนะันมีตะขาดอยู่โอ้เราปวดนั่งคืนเลยแนตะ่เช้าขึ้นมาเราก็ถามว่ารักไหมจำไห ม, มาัง <c oughs> ไม่รู้เชื่อโยมบ้านที้เรามาาเลยจะมารู้จักโยมบ้านนี้ ตอนมันแะหลับได้นะไหมเราควจะขาดการนั้นชิลไห้อนเวลาตตรวจแท็กั์นะนะครับแล้วน้ไปออไแล้วก็ีสภาพแบบใหนว่าอะไรการตายนะโยมแต่ว่าทิบประทับใจเรอยู่7วันนะยัมาได้อยู่7วันแต่มาอก็บว่7วันแต่ว่าชีที่ กันกรสอานแต่ว่าพระที่อยู่ด้วยกั น, นกกกลลที่หน้าโลกทจะรู้ไม่รู้อะรกันกสอแตยว่าสิ่งหนึ่งที่เราประทับใจมหลวงพ่อท่านพุทว่ารมการสึกสตินันต้องทำให้มันแสดงว่ากายทำอะไรใจทำด้วยเหมือนว่ารูปทำนามทำเนี้ยพระแต่ละอันทำ แค่เป็นหม่นั้นระับป็นตัวใหม่เนี้เราก็หนูมัจะทำได้เงนะจะแขงในไทยไยนเพราะว่าเราถึ็นสมัยะวนี่เปนนกข่น้อยโยนเั้งมา่นีามติดสามตีแล้วเรเป็นนกขี่เะเ่เพราะว่าตอะนั้นนักขี่ตัวนั้นมันเยอะ เออุณนนัก็จะแสลงขาจะจะทำอารุณตรงนี้สมนุ่มรุ่นนั้น่ะก็จะแสลงขาจะจะทำเพื่มรุ่นนัแะแต่ว่าไม่ได้ใส่การสมาริไม่ได้ใส่ทางหลวงพ่อพุทธทาสจะกลับมาอยู่บ้านเกิดเรามองเงี้ยแต่เรก็ม่เจอหลวงพ่อมันจะเป็นใจยังไงก็เสียงในใจใน่าตเสียงโต้โรง ใาทำอะไรใจทำด้วยเพราะอะไรทำของกันเป็นปไม่ได้น like ี่งขไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอเรานั่งอยู่ใช่เราเดินอยู่เราไปไหนมาไหนอยู่นกของเราครบใแต่ใจมันต้องไปทางบางใจก็จะเอาไปเร็วมาก เราจะไปไหนนะเองเจะไปเข้าของงานใจมันก็ไปก่อนแล้วมันจะทำงานทำมันก็ไปได้แทนได้เองนะไม่ยอมพ่อไปถามมันพ่อมันจะเห็ น, ไ ป, น, ป น, นปไปได้เลยแต่มาสอบถามเห็นจะได้แต่ควาใจเราเนี่ยเพราะว่าเปไปได้ทีนี้ผมไม่ยคงเป็นไไม่ได้เพราะว่ากายกับใจมันจมาอยู่ด้วยกัน แค่ใครอำได้ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วก็ท่าก็ไม่ใช่ธรรมดาอร่นนั้เพราะว่าชีวิตก็การมันีัเป็นอย่างนั้นยิงคนมีจิตนะจิตเนี่ยมันจะไปเวลาที่ตัทางนันก็เราทำได้พวกเดี๋ยวทำได้นะนะเขาท่านจะพยายามทำแล้วมีคำอย่างเช่นว่าภาษาขอเชื่อเฉ่นเป็นช่โมง อย่าล yeah, no, ืมจำได้สองสร้างผลปิเนยกมือนะอกยกอกแล้วได้บอกเพราะว่าเรามารู้ว่าเรามาสายพิรุณมันก็แลวแต่กะตุกสอนกันยังไงแล้วบอกว่าการผลปฏิเนเขาให้สฏิเป็นอัตนมณ์นี่ยอ่อันนี้ก็มาถามปฏวเอาอัตนมณ์มาสายก่อนคนรุ่นรุ่นก่อนนี่ มันรู้เลยอะเ่ิือมันสติมันเป็นเองไงมันเป็นอารมอ่ะมันเป็นไหนมาไหนก็ให้มันมีสต่มันรู้ตลอดที่ปลถามอะไรกันมาหลวพ่อคนจะเป็นไ้ยังไงเอาอิ่งแล้วเา็นอารมณ์อ่มันทาไม่ได้กังออยากเป็นรู้เป็นคนไดคนอยากนะโอ้ยหลวงพ่อมีแต่เรืองี่ตัวเองิจชย่างน้อยก็ไม่ได้คิดนอนไปจะลับก็คีด ไปเช่มนนคาคิดเช่นั้นอะไรั้น้กาครงรัคาเนาะจึนก็เลยบอกว่าตอนนี้ยวันยังไม่ได้รแต่ว่าอีกสามปีอยู่นะสามปียิบปีเขอสามปีอยู่นะถ้าสามปีทำแบบนี้แบบนั้นปว่าได้นยคเนี่ยเห็น่นอน ปฏิาัตเนวก็กายทำอะไรใจทำะเห็น ไ, นไนนยยมคสามปีงานคนวเยอะทไมวันนาน้นเแล้วาปฏิบัติรมแล้วกอากรู้ไวๆนะโยมนะใครๆก็อยากรู้ไวๆหนะ ร, รืาดา น, นคิดอย่างเราเนี่ยเป็นคนฉลาดคิดฉลาดอะไรกงง็ร้ได้เย แมเรองตัวฉลาดแต่เมื่อก่อนแต่เมื่ก่อนถ้าเป็นโนก็จะเป็นว่านาจนคิดอ่าเป็นโนก็เป็นวานาคนคิดว่าตัวเองฉลาดนะในที่สาปีเยอะสักเดอนจะได้เงินสามเดือนมพนก็นนยมได้คำสอนว่าแถมวันหยุดเก็บบนแล้วนันก็ายโจอจมาลาลาตรงนี้ายโย จากบหน้ารูปมีความหม่ยลากับเวลาตะขิ่นก็ผมจะกลับแล้วนะมีต่ลากับไป้ไอบ้ามานะ้ลาตะิ่นม <grande box. S 2> ันบอกว่าราอยู่กับเราพ่อนะตรงที่ไม่มีทษกกว่านะโอ้โหปวดเลยแล้วก็คิดในใจ มาอยู่กบหลวงพ่อแล้วก็เข้าใว่าพอรับจากทีมเกตหรือว่าเ็ชาแล้วมามาอยู่กับหลวงพอ่พอาพอาจนะจะคิดว่าอย่างงั้ก่อน่อนก็ไม่รับค่ะเพราะว่าคิดว่ามันจะได้มาอยู่กับหลวงพอ่อให้อยู่ไอตไม่มีพูกในท่านแตาก็อยู่กับหลวงพ่อตรงนี้ไม่มีโวกนะั้นแล้วก็ไม่กล้ารับปายเพราะว่าเรา ว่าจะได้ hani ไม่ได้ไปจำาัญหาของหลวเพ่อความหมาของเราครว่าใหม่ก็เพราะอย่างนั้นเลยแปลว่าเรางพ่อคุณท่านพูดลึกก็เพราะแก้วตรงที่ไม่มีโชคอะไรยนั่นแหละแต่มาก็็นโฆษณาภาพผีหลายองค์นุ้ยิีลามก่อนของอะไรผมมันอยู่กับผมผมที่ไม่มีโทกอะไรเลยโอยองนั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาอ่ะเฮ้ หลวงพ่อวนตรีเนี่ยแม่ว่าไนงูมากกันเลยในชัย่ลว่อเ้าจะบอกว่าอยู่จังหาัดนันแค่หลวงพ่อคนละที่แต่ก็เฉลิมบุญทกวันเสียกันอยู่การละเมียดรอเขาไปตามทเชื่อไปถามหลวงพ่อเขาด้วยนั่ผมเป็นอ่ะผมไปตามหลวงพ่อไปเห็นว่าพ่อผมอย่างนี้อาบุญเยงของหลที่ละแต่เราจำผมไม่รู้แต่แม่มีปีน่เียกัน ไป็น ene, the asylum, the ing, <im Compl ac ters> ่อยกันอยู่ตลาดกันไับกออกันกันก่อนในวันที่พรรษาพรรษาก็ได้สันษาผ่านจะรับกิจกิจเขียนกันกิจตีกันไปแชร์กนไปถามันขออะไรพอดีรงมาโนเลยขึ้นรถตามคนขึ้นรถจับุ่มเลยกันเจ็แต่วันนั้นมาก็่ได้อยู่กับแต่ว่า ได้ไปได้มาถือว่าท่านแห่งกาเนิดนะใช้กาเนิดชีวิตเราเราเป็นคนใยามว็ได้ไม่ต้องไปศึกษาต่างปะเทศที่แรกก็จะเป็นัละนะยังกาแล้วก็เกิอห้ามอะไรยาไปยทีไังควาสายก็เลยไม่่อปยได้เ่อเขาปล่อยไปไม่ได้ กังจไปหาเูนค่ะโอ๊ยยินดีด้วยล่บะบอกว่าพ่อขวายพ่อขวาีพ่อขวายทัยมนะแ่าเอาได้แล้ถวว่าเราที่แหนเอากงินโยกพอ่อแต่หาเอาได้เลยไปหาหลายองค์เลยบอกมาสีมาเติมนห้กัน ไ, ดไปด้วกันนะแต่ว่าศาสนามไม่ได้เป็นลูกศิษย์นะไปนะครับหลว่ไปกนะาแล้วก็แม่กันเองมาคิด ต, ตรงนี้เลยเดี๋ย สิตรงหลวงพ่อเไยว่ามานี่คือคือได้ธรระจากหลวงอแต่ว่าก็ฟังคาสอนคำเทศคำเเรื่อยๆอยามอย่างก็โอ้เราเป็นอย่างหลงพ่อแล้วไม่มีไม่เป็นเราเป็นอย่างยลวงพ่อแล้วรู้ซื่อหัวซื่อหลวงพ่อไม่หัวซื่อ เจอหลวพ่อเลได้ก็ต้องทำเองนะถามหลวพอเรทีนไหนะลงพอไหนวันจะหายปวดทีท oh. ี่ผมนี oh, like ่นะครับแม่จะหายก็แล้วก็ฟ้ายะไรดเื่อปวดทีเอื่อฟ้ายะไโอ้ยมันคงแต่งเงี้ยหลวงพ่อเชือหน้าที่ไนกันเนี่ยติดเวลาได้ธรรมะที่ดีมีปฏิบัติทำได้ธรรมะดีอ่าอย่าไมก่อนนั่นีืรถตึ้งชิดชา โอ้ยแต่เก็บมาทำงพ่อนห้เอวดูธรรมะเนี่ยนี่แหลแต่ว่าพอพอมีเรืองตตวแโอมันะอะไรก็ทำพ่อไว้กอนให้คนอ่นได้ละใจทำไมไม่ได้แต่ว่าเราก็ได้คำสอนของหลวงพ่อที่ว่าไม่ือยู่ชีวิตนี้หรือว่าเกิดมานี้หรือว่าอุ้มชายประมาณหรือว่าอะไรมาพก คุณพอต้องเขีย น, นยว่ามีค่าแล้วก็ไอ้เจ๊ทำาะไนี่สอนอยากสอนโยนคันไหนที่เขามาลู ก, ล แ, ลก แ, แต่ละคนแนะนำเด็กสอนแนะนำไปตา ม, มยันไงโยนตามความตามก็ม า, ม, มาแ้วก็สอนน้อยร้อยสอนแนะนาแล้วมีน้อยก็สอนน้อยทีร้อยก็สอนร้อยนะมีพันก็สอนพัน แฉ็สอนแฉคนก็ไม่มีแฉให้ลงเจราะว่าพี่เกลียวเราเนี่ยอใจมีเท่าไหร่ก็สอนในลักษณะนั้นนี่คือคือคาสอนเฉพาะให้แนะนาแต่ว่าไม่ลืมคำสอนขอรักบุกญาทางเทศอันั้นอาการอันนอย่านี้จไม่ถึงนะหลบวามเท็ไปอย่งนี้แต่มาอยู่ว่าก็เลยอกเลื้มอลอก ใอ้ยม่ então, so <c oughs> ั andar, ้ต e, <c oughs> <c oughs> ัวเองก็ฟ um ังคนไม่เยอะก็ตไม่ฟังส่วนมากเรเปิดนี่เที่เรงเลย่หมเป็นโลกัเนเ่นสูลำหาฟังแค่ว่าใครจังไก็ได้หลักาสอนที่ดีจากหลวงพ่อขรือว่าชื่อนี้เราจะไม่ดีเราจสติคือหลวงพ่อสอนสติให้เป็นสติอานละ่อะแล้วก็านมา จิตเป็นที่โลกทำนามทำไฟทำอะไรทำได้แล้วก็ทำได้แค่ทำไม่ได้ก็ไม่เดกม่โนีไม่เช็่แไม่อะไรที่เราสวดนี่อิทนาปฏิทนาสัญญาปฏิสัญญาน่ยแต่ว่าก็รู้ว่าเราจะต้องทำให้มันได้เนื้อเทศที่จะทิ้งเราจะคอยจะจากไป แต่ว่าเราก็ได้คำสอนของหอไว้ในจิตใจความลึกความี่ตัวเราจได้จากกันนะได้ความรู้สึกเต่งเฉยเรื่องสต่เป็นัชที่เราเกิดมางั้นวัจะไม่ได้ขึ้นเที่ยวของหลวงพอแต่ว่าเราก็ได้รับคำแนะนำจากแบบของหลงพ่อฉะนั้นก็ผมอยากให้ความคิดอย่างนี้นะเดียวเราศึกษา ก็ใหม่ก็กลางก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายแต่ความ ย, ยากเย็นก็นำไปทำปฏิบัติบาคนก็อาจจะรู้เร็วบางคนก็อาจะอาจไม่รู้คนไรเลยแค่ว่าเราไมด้มมมมมมมมเหนื่อยยาไปเลยีเรายังกิ้มได้ยังเคิืนไปได้ยังหายใจได้ยังเดินคิดได้อาจจะเป็นของเราสักวันหนึ่งแต่ไม่รู้จะวันไหนแล้แต่ว่าวันหนึ่งเราต้องยากเพราะว่า เราหนนปัญาครับหลวงพอ่อความเขียนหั น, น ก, ก, ก, เน ก, เนนก็เนี่ยเรีาว่าอาเลย์สอนมาเรียว่าเป็นคำสอนที่ถูกต้องมูลาโยมาว่าพระเทพครสอนแตก็แล้วแต่ฮะนอกนอกรู้เนี่ยมาว่าเราไม่น่ากลัวนะคนอื่นห็ได้แต่ก็ได้ดนถูกกันแต่ว่าเนี่แล้วก็มันมั น, มนเรียกว่าทำมันผิหลักว่าผิดหลัก แต่ว่าก็ไม่เลว่าแต่ว่าถ้าแบบเนี้ยสําหรับคุที่ชื่อชื่อท่านมอกบรรนาของเราในเดียวเพราะว่ามันมิจลาเป็นอักาศนะจักรทิดเนี่ยมันเหมาะสมกับคนทุกนี้แต่มาว่าการทำลักษณะเนี่ยมันจะไปสู่ชิ้นไม้ปลายาที่หลว่พ่อท่านแนะนำเราเดียวแต่ว่าในวันใดก็วันที่ว่าสมบรรนาว่ามันตรงเนี่ย หลังจากนั้นก็นมรนาสาธุัญาโยมนะที่ใมาทำโมพ่อมาเคารพศพมพ่อมาตากยมพ่อมาแสดงความกตัญูตออทริยากรรหโยมพ่อ้นบรรนก็มาถึงเดินใงแดกทางมลณาสาธคนก็ไปมาไปกลับทปนสงาหลายครั้งแต่ละครั้งเพราะว่าแต่ละคนก็มีปาลิ แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือรู้สึกตัวอย่างนอ้นคือตัวตื่อจิตใจนั่นแหละมันมีไม่เกิอะไรนอจากถือว่ากระแดกกระตืปฏิบัติตามคำสอ น, นของพ่ออห้ทุนคนรงมีแจกความงงงคงคงคงสุ ข, ขคาเจริมันสุดคนเธอ